ส่วนวิริยะบารมีกล่าวถึงอัตภาพของพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีก็นับไม่ถ้วนเหมือนกันอย่างเช่นในมหาชนกบันดกชาดกเนี่ยนะพระมหาชนกนั้นก็กล่าวถึงวิริยะบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้กําลังข้ามมหาสมุทรอย่างนี้ว่าอติระทัศน์ศมัมเชหตาสัพเพ ว, วมนุสาจิตตะสะัญญานัตถิเอซาเมวิริยะบารมี ท้ามกลางทะเลน้ําลึกมนุษย์ทั้งหลายทั้งหมดถูกภัยกําจัดแล้วจิตของเราก็ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่จะว่ายน้ําข้ามทะเลเนี่ยนะนี่เป็นวิริยะบารมีของเราทะเลมันก็คงเดิมฝั่งมันก็อยู่ตามเดิมแต่เรามีความเพียรที่จะว่ายให้ถึงฝั่งรายในทะเลที่น้ําลึกเนี่ยนะใครที่ดู เคยศึกษาข้อมูลเกี่ยวน้ำทะเลเนี่ยนะมีผู้ที่ตายจำนวนมากจริงๆเรือลำใหญ่ๆที่จมในทะเลมากมายแล้วก็สัตว์ตายนี่ไม่ใช่น้อยตายเยอะมากเนี่ยนะทั้นทะเลน้ำลึกเนี่ยถ้าหากว่าใครที่จิตใจอ่อนแอเนี่ยเห็นทะเลน้ำลึกพายุกระหนำ่ำสัตว์ร้ายมากมายเนี่ยก็คงยากที่จะรอดชีวิตถึงอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ก็มีความภาคเพียรพยายามที่จะข้ามทะเลเพื่อไปถึงฝั่ง เอาสมบัติที่เป็นของตระกูลจะได้ให้ทานต่อไปนั้นความภาคเพียรของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่มากเรียกว่าวิริยะบารมนนะีภาคเพียรที่จะให้ทานภาคเพียรที่จะรักษาศีลเจริญกุศลธรรมต่างๆภาคเพียรจริงๆวิริยะนี่แปละว่ากล้านะพระองค์กล้าทําจริงจริงเลยถ้าคนทั่วทไปนี่้ใจอ่อนแอยากที่จะทําได้ส่วนบารมีต่อไปคือขันติบารมีอย่างยกตัวอย่างในขันติวาทีชาดก ผู้กล่าวยกย่องสันเสริญขันติคืออโทสะคือความไม่โกรธเนี่ยนะขันติบารมีของพระโพ ธ, ธิสัตว์ผู้อดกลั้นกองทุกใหญ่หรือว่ามหาทุกเนี่ยนะกองทุกใหญ่เหมือนกับคนไม่มีจิตมีใจเลยที่กล่าวอย่างนี้ว่าอาเจตนางวะโกตเตนเตตินเฮเนะ พ, ร ะ, พระรุณพระรสนามมังกาสีราเชนกุปปามิเอซาเมขันติบารมีพระเจ้ากาสีทรงใช้ให้คนเนี่ยใช้ขวานคมกริบฟาดฟันเราประหนึ่งไม่มีจิตใจเราก็ไม่โกรธนี่เป็นขันติบารมีของเราคือมีอยู่ชาติหนึ่งที่พระองค์เป็นฤาษีไปพักอยู่นะราชุทยานของพระราชาพระเจ้ากาสีหรือพระเจ้ากาลาปุอดีตชาติพระเทวทัตเนี่ยนะนณะที่พระองค์กําลัง พระเจ้ากะลาปูเนี่ยวันนั้นไปเที่ยวสวนแล้วก็เมานางสนมกำนันก็แวดล้อมไม่หมดอะนะนี้พอเมาแล้วก็หลับไปพวกสนมกำนันเห็นพระราชาหลับแล้วก็ไม่รู้จะนั่งเฝ้าไปทําไมก็เลยชวนการออกไปเดินเล่นชมนกชมไม้ชมดอกไม้ไปเรื่อยก็ไปเห็นพระฤาษีก็เลยเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมพระโ พ, พธิสัตว์ก็แสดงธรรมให้พวกนางสนมกำนันเป็นต้นเนี่ยฟังพระเจ้าสนมคนหนึ่งเนี่ยนะที่ เป็นที่หนุนตักให้แก่พระราชาพอพวกนั้นหายไปพักหนึ่งก็ตัวเองก็เมื่อยเห็นไปนั่งฟังฤาษีให้เรานั่งเมื่อยอยู่คนเดียวพระราชาก็นอนหนุนเสมอเมื่อยหมดเลยก็เลยเรียกว่าขยับเท้าเนี่ยพอขยับเท้าพวกนั้นพระราชาก็ตื่นขึ้นตามธรรมเนียมของพระราชาขี้เมาก็ดุหน่อยก็ดา่าแต่พวกยิงถอยพวกนั้นไปไหนกันหมดพขากว่านั่นไงไปห้อมล้อมฤาษีก็โกรธมากเลยนะพอโกรธมากก็ทํำยังไงดีให้มันสะใจก็เลยคิดไปถึงหาเรื่องถามว่า ลัที่ของท่านเนี่ยสอนอะไรบอกท่านบอกว่าขันติวาทีสอนเรื่องความอดทนไหนอยากจะดูซิว่าอดทนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนให้คนเคี่ยนดอกความอดทนไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังพอเคี่ยนเสร็จอ้าวไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังก็ทํำยังไงให้ตัดหูตัดจมูกก็บอกว่าความอดทนไม่ได้อยู่ที่หูที่จมูกก็สั่งให้ตัดแขนตัดขาความอดทนของเราไม่ได้อยู่ที่แขนที่ขาบอกว่าวก็โ ก, กรธมากก็เลเอายอดเท้านี่กระทุ้งอกเข้าไป แล้วก็ล้มลงพอล้มลงแล้วก็เดินจากไปพอพ้นสายตาของคันติวาทีเท่า น, นั้นก็ถูกแผ่นดินสูบเนี่ยนะที่พระองค์เล่าว่าพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบที่ทําผิดกับพระองค์ไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นแม่ดีตชาติก็เคยเป็นมาแล้วพอแผ่นดินสูบเข้าไปเนี่ยแต่ฤๅษีตอนนั้นอ่ะพอถูกเข่ากระทุ่งมาก็สลบไปเนี่ยนะพอฟื้นขึ้นมาอมหมายก็ขอร้องขอโทษขอโพยพ ร, พระองค์ก็บอกฤๅษีก็บอกว่าขอให้พระราชาพระองค์นั้นอยู่เป็นสุข ขอให้ทุกคนอยู่เป็นสุขไม่ได้มีจิตคิดโกรธแม้แต่นิดเดียวอันนี้ด้วยอำนาจของขันติของของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะมันใช้ขวานคมฟาดฟันเป็นผู้ที่เหมือนไม่มีจิตมีใจเนี่ยนะด้วยความที่เรียกว่าอดทนมันอดทนมากกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ถ้าไม่อดทนจริงๆก็ทําพุทธกิจไม่สําเร็จเพราะว่าไปโปรดคนบางคนไปนั่งให้เขาด่าทั้งวันทั้งคืนก็มีเนี่ยนะเพื่อที่จะช่วยเขาเนี่ย อาจจะช่วยคิดว่าเหมือนก็จะหยิบหยิบมรรคผลนิพพานให้เขาแต่ว่าต้องคนที่ให้คนที่จะได้รับเนี่ยต้องด่าคนให้ก่อนอย่างเงี้ยนะแม้ถ้าเราถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปนี่ก็โอ้ไม่ต้องเอากันแล้วแต่ว่าพระองค์นี่มีความอดทนเนี่ยนะอดทนด้วยใจที่กรุณาประสงค์ที่จะปลดเปลื้องเขาให้พ้นจากความทุกข์โกร์มีเมตตาที่จะน้อมนำประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่เขาส่วนต่อไปสัจจะบารมี ในมหาสุตโสมชาดกเหมือนกันกล่าวถึงสัจจะบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้สละชีวิตรักษาสัจจะวาสัจจ ะ, ะสัจจวาจังนุรักษันโตจะชิตตวานะมะมะชีวิตตังโมเจสิงเอกัสตังคติเยเอสาเมสัจจะบารมีเมื่อเราตามรักษาสัจจะวาจาก็ยอมสละชีวิตของเราเปลื้องทุกข์ของกษัตริย์ได้100รพระองค์นี่เป็นสัจจะบารมีของเรา เพราะว่าถ้าหาว่าพระองค์ไม่ไม่รักษาสัตวจะพระองค์ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตกษัตริย์100องค์ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตโปศิสัตให้เลิกเลิกกินเนื้อมนุษย์ไปได้เนี่ยนะังนั้นการที่พระองค์รักษาสัตวจะวาจาช่วยให้กษัตริย์100องค์เนี่ยนะหนึองค์รอดชีวิตช่วยให้จอมโจรกินมนุษย์เนี่ยจอมโจรกินมนุษย์หายกลายเป็นคนดีเป็นคนมีศีลไปได้เนี่ยนะเพราะพระองค์นั้น เคยเกื้อกูลพระองคุลิมานไม่ใช่แต่ในปัจจุบันแม้ในอดีตชาติก็เคยเกื้อกูลพันด้วยอำนาจของสัตว์จะบารมีทำให้พระองค์นั้นช่วยเหลือพระพระองคุลิมานแม้แต่ในอดีตชาติช่วยเหลือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะคือกษัตริย์1 0 1้ององค์เนี่ยเตรียมจะถูกฆ่าประหารบูชายันอยู่แล้วพระองค์ก็อาศัยสัตว์จะวาจาของพระองค์เนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูล กษัตริย์เหล่านั้นให้พ้นจากทุกข์ะนะยอมสละชีวิตของพระองค์ด้วยแต่ว่าด้วยบุญบุญแลหรือทมแลยอมรักษาผู้ประพฤติรมความที่พระองค์ประพฤติรมนั้นพระองค์ก็ไม่ได้อ่ไม่ได้ตายเพราะถูกฆ่าแต่ว่าก็ตายตามอายุขยไปส่วนอธิฐานบารมีเนี่ยนะมูฆปักขะชาดกเทพระองค์อธิษฐานอธิษฐานแล้วไม่เปลี่ยนใจใน โมฆะปักขะคือพระเตมีใบอธิษฐานนบารมีของพระโพธิสัตว์ยอมสละชีวิตอธิษฐานวัดอย่างนี้ว่ามาตาปิตาณเมเทสาอัตตาเมนะจัตเสเอทสัสยโยสัพพัญยตังปียังไม้หังตสมาวะตังอทิทถหิงมารดาบิดาไม่เป็นที่เกลียดชังของเราที่ท่านอธิษฐานวัดเนี่ยไม่ใช่ท่านรังเกียจพ่อแม่นะถึงตัวเราก็ไม่ได้เป็นที่เกลียดชังของเรา แต่ว่าสัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงอธิษฐานวัดมันอธิษฐานวัดแต่ละอย่างที่ทําได้ยากเพื่อสัพพัญญุตยานไม่ใช่ว่าจะเกลียดชังพ่อแม่ไม่ใช่จะเกลียดชังตัวเองแต่รักโพธิยานมากกว่าก็เลยยอมอธิษฐานทุกอย่างเพื่อจะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าส่วนเมตตาบารมีเนี่ยนะในสุวรรณสามชาด ก, ก็เหมือนกันเมตตาบารมีของพระโพธิสัตว์ ผู้ไม่อะไรแม้แต่ชีวิตประพฤติเมตตาอย่างนี้ว่าณมังโกจิอุตตะสติณะปิพายามิกัสจิเมตตาพระเลนุปัตถดโธระมามิปวเนตถาใครๆนี่ทำให้เราวาสดสะดุ้งก็ไม่ได้คือท่านไม่ได้สะดุ้งเพราะเรื่องอะไรทั้งนั้น แม้เราก็ไม่กลัวต่อใครๆหรือใครๆก็ไม่กลัวต่อเราเนี่ยนะเราอันกำลังเมตตาอุดหนุนแล้วจึงยินดีอยู่ในป่าในครั้งนั้นอยู่ในป่าด้วยเมตตาเพราะถ้าไม่มีเมตตาหน้าเบื่อขนาดไหนเนี่ยนะด้วยเมตตามองเห็นสัตว์ทั่วหน้าเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับลูกเหมือนกับคนที่ตัวเองรักที่สุดมันพัอยู่กับสัตว์เราใดก็อยู่อย่างมีความสุขด้วยแรงแห่งเมตตาจึงไม่กลัวเสือกลัวช้าง กลัวอะไรเราใดาเหล่าหนึ่งเลยด้วยอนุภาพของเมตตาเพราะผู้ที่อยู่ด้วยเมตตานั้นจะไม่กลัวแล้วก็ไม่ทําให้สัตว์ทั้งหลายกลัวเพราะเขาบอกว่าผู้ที่ไม่ทําให้ตัวเองกลัวก็ไม่ทําให้ผู้อื่นกลัวเหมือนกันอันนี้ด้วยกําลังของเมตตานะเมตตาลักษณะที่มีความคิดน้อมนําประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายส่วนอุเบคาบารมีใน โลมหังสะชาดกเรียกว่าชาดกที่ฟังแล้วยังขนลุกเลยคำว่างั้นไม่ต้องไปทําเองแอกแค่ได้ยินได้ฟังก็ยังทําใจยากฟังแล้วขนลุกเลยเรียกว่าโลมหังสะชาดกเนี่ยนะว่าอุเบกขาบารมีของพระโพ ธ, ธิสัตว์นั้นเมื่อเด็กชาวบ้านทั้งหลายก่อให้เกิดสุขก่อให้เกิดความทุกข์เคยมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะอเอาดอกไม้เป็นต้นไปบูชาอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปสร้างความทุกข์ด้วยการถมน้ําลายรถเป็นต้นใช้ไม้ไม้เนี่ยแย่เข้าไปในหู หรือบางพวกก็ตีบางพวกก็เอาพ ว, วงมาลัยไปบูชาก็มีหลายกลุ่มนะพวกชาวบ้านก็นับถือมากแต่พวกเด็กเกเรทั้งหลายก็ไปเบียดเบียนถึงกระนั้นท่านก็ไม่ล่วงเกินอุเบกหายังจิตให้เสมอกันกล่าวอย่างนี้ว่าสุสาเนส ย, ยังกับเปรมชวติกังอุปนิทายหังค า, ามันดาราอุปคันตวารูปังเทสันตินับประก เราจะวางซากกระดูกเอาไว้แล้วก็นอนในป่าชา้าเรียกว่าเอาหัวนอนหนุนกระดูกนอนกระโหลกอ่ะนะพวกเด็กชาวบ้านเข้าไปในลานบ้านแสดงรูปหลอกไม่ใช่น้อยนีนะบางพวกก็ไปปัสสาวะรถด้วยซ้าไปอันนี้ก็แต่ละแ ต, แต่หลายๆอย่างก็ได้กล่าวไปบ้างแล้วในายคำพีจริยาปิดกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระสังคีติกาจารย์เมื่อแสดงคําพยากรณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า อันพระเถระทูลถามแล้วจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรทูลถามแล้วผู้มีพระสุรเสียงไพเราะดังนกกระเวกทรงยังดวงใจให้ดับร้อนปลอบประโลมโลกทั้งเทวโลกทรงพยากรณ์แล้วทรงประกาศพระธรรมเทศนาคือจริตความประพฤติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงมาแล้วอันพระพุทธเจ้าทรงนำสืบสืบกันมาคือพุทธวงศ พุทธวงศ์นั้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกในโลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยความรู้อันติดตามคือด้วยปุเพนิวาสานุสติยานเนี่ยนะอันติดตามถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนคือปุเพนิวาสานุสติยานแปลว่าพระองค์แสดงพุทธวงศ์ด้วยปุเพนิวาสานุสติยานเป็นปัจจัยอธิบายศั์อัฏฐะเพิ่มเติมเล็กน้อยว่า ตัสสะปุทโธวิยากาสิกความว่าทรงเป็นผู้อันพธ ร, รมเสนาบดีนั้นทูลถามแล้วจึงพยากรแก่ท่านคือตรัสพระพุทธวงศ์ทั้งหมดเริ่มต้นตั้งแต่อภินิหารการตั้งความปรารถนาเป็นเบื้องแรกมีการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดบทว่าการวีกรัรมมะทุระคิโรเนี่ยนะเสียงผู้ใดไเร า, าะเหมือนเสียงของนกกาเวกผู้นั้นชื่อว่าผู้มีเสียงไเราะ เหมือนเสียงนกกระเวกอธิบายว่ามีเสียงสนอเพราะพริ่งเหมือนนกกระเวกว่าไงในข้อนี้ขอกล่าวดังนี้เกี่ยวกับเรื่องนกกระเวกทั้งหลายมีเสียงไพเราะเล่ากันมาว่านกกระเวกทั้งหลายเอาจะงอยปากจิกผลมะม่วงสุกอันมีรสหวานดื่มน้ำมะผลมะม่วงที่ไหลออกมานะพอทานกร ะ, ะไรนะกินมะม่วงดื่มน้ําหวานเสร็จก็เริ่มใช้ปีกให้เป็นจังหวะร้องเพลงระเริงเล่น สัตว์สี่เท้ามัวเมาในเสียงเพลงฝูง ส, สัตว์สี่เท้าแม้ง้วนอยู่กับการกินอาหารก็ทิ้งหญ้าคาปากเสียจแล้วก็พากันฟังเสียงกลางวานนั้นสัตว์ร้ายทั้งหลายกําลังติดไล่ติดตามเนื้อสไลเล็กๆไม่วางเท้าที่ยกขึ้นหยุดยืนเหมือนตุ๊กตาแม้ฝูงเนื้อที่ถูกไล่ติดตามก็เลิกกลัวตายหยุดยืนก็อนะไรเสียงเพราะมากขนาดว่าจะตายอยู่แล้วก็เอ้ยขอฟังก่อนเถอะอย่างนั้น จะตายก็ช่างขอให้ได้ฟังก่อนนะไงแม้ฝูงนกที่ล่องลอยอยู่ในอากาศก็จะเหยียดปีกร่อนถลาลมอยู่นั่นแหละหรือแม้กระทั่งฝูงปลาในน้ําก็ไม่กระดิกแผ่นหูหยุดฟังเสียงนั้นนกกระเวกมีเสียงไพเราะอย่างนี้พันธุน์พระองค์นี้มีเสียงไพเราะเหมือนกับเสียงนกกระเวกเพราะทุกคนก็อยากฟังเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ บทว่านิพพานะปยันโตหทะยังความว่ายังใจของชนทุกคนผู้เร่าร้อนด้วยไฟกิเลสให้เกิดความเยือกเย็นด้วยธรรมกถาดังอมฤต ธ, ธาราเหมือนกระแสน้ําแห่งความไม่ตายวันนั้นเพราะว่าเสียงเสียงของพระองค์เนี่ยสามารถทําจิตใจที่เล่าร้อนด้วยไฟคือกิเลสนี่กลุ่มรุมเล่าร้อนเดือดร้อนกระวนกวายให้สงบเยือกเย็นได้ด้วย เสียงเลยนะฮะเสียงของพระองค์เนี่ยยังใจให้สงบเยือกเย็นได้บทว่าอาตีตพุทธานังเนี่ยนะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วก่อนหน้าอภินิหารของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราในกลับเดียวกันนั้นก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์กับที่พระองค์ได้รับพยากรนะกับนั้นเมื่อเสียสองไขแสนกลับที่แล้วเนี่ยในกลับนั้นมีพระพุทธเจ้าเกิด4ี่องค์คือองค์ที่หนึ่งตันถังกรองค์ที่สอง เมทางกรองค์ที่สสารนังกรองค์ที่พยากรพระพุทธเจ้าของเราชื่อว่าทีปังกรต่อมาภายหลังจากพระพุทธเจ้าสี่องนั้นก็มีพระพุทธเจ้าอีก23องค์มีพระพุทธเจ้าโกนธัญญะเป็นต้นรวมเป็น24พระองค์นะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเป็นต้นทุกพระองค์ท่านประสงค์อาว่าอดีตพระพุทธเจ้าในที่นี้จริงๆแล้วพระพุทธเจ้ามีก่อนหน้านั้นอีก แล้วถ้านับทั้งหมดก็มีทั้งหมดน่ะนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าตันหังกรมาจนถึงพระพุทธเจ้ากัสปะก็มี27องค์แต่ว่ า, าไม่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าตันหังกรเมทางกรและสารนาังกรกล่าวเฉพาะพระพุทธเจ้าทีปังกรจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะรวมกันแล้วได้2 4พระองค์เนี่ยนะพระองค์เรียกว่าอดีตของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น บทว่าเทสิตังก็ได้แก่คําตรัสคือธรรมกถาที่ประกอบด้วยสัจจะสี่ของพระพุทธเจ้า24พระองค์คือพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ล้วนแต่ประกาศอริยสัจพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ประกาศอริยสัจสี่นิกีลิตังได้แก่จริตความประพฤติของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าว่าด้วยกับด้วยชาติด้วยโคตอายุต้นโพหรือการตรัสรู้สาวกสันนิบาตอุปถากรมารดาบิดาหรือว่าพระพุทธมารดาพระพุทธบิดาหรือว่าบุตรภริยาเป็นต้นชื่อว่านิ ก, กีลิตะนิ ก, กีลิตะก็คือรายละเอียดเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์นั่นเองบมดว่าพุทธปรัมปราคตังเทศนาหรือจริต ที่ตั้งต้นแต่พระทศพลพระนามวทีปางกรเสบนำมาจนถึงกัสป ะ, ะพระกัสปะพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธวงศ์เนี่ยนะปุเพนิวาสานุขตายพุทธิยาความรู้ที่เป็นที่ไปตามเข้าถึงขันที่อาศัยอยู่ในปางกนกล่าวคือขันธสันดานที่อาศัยอยู่ในปางกร อ, อันจำเนกอย่างนี้ว่า คือปุเพนิวาสานุสติยานจารึกชาติรู้อย่างนี้ว่า1ชาติ2ชาติ3ชาติ4ีชาติ5ชาติ1020ี่สิบร้อ0 0 0นหมื่นแล้านชาติหลายๆแสนชาติตลอดสังวัตกรรมวิวัตกรรมเป็นอันมาหรือตลอดเป็นอสงไข่กลับเป็นต้นอันนี้การที่ระลึกเรื่องราวในอดีตได้ทั้งหมดด้วยปุเพนิวาสานุสติยาน โลกะหิตังได้แก่พุทธวงศ์นั้นเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่โลกสเสทวเกมแม้กระทั้งโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นคำพีรที่ตรัสแสดงแล้วนํามาซึ่งความเลื่อมใสเนี่ยนะทุกคนเมื่อเลื่อมใสก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่โลกพร้อมทั้งเทวดาลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบโลกพร้อมทั้งเทวโลกในการฟังด้วยพระเฮริไทอันเยือกเย็นด้วยกรุณา นะคำพูดที่เกิดจากกรุณาที่พระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายจงฟังพุทธวงศ์ที่ให้เกิดปีติปราโมทบรรเทาความโศกสรรพุทธวงศ์ที่ให้ได้สมบัติทั้งปวงของเราแล้วก็ใส่เอาไว้ในใจให้ดีท่านทั้งหลายจงดำเนินมักเป็นเครื่องบำบัดความเมาบรรเทาความโศกเรื่องโอคาสงสารโดยเคารพเถิดเนี่ยนะ อธิบายว่าพระองค์เนี่ยประกอบสัตวโลกพร้อมทั้งเทวโลกในการฟังด้วยพระหรือไทยอันเยือกเย็นด้วยกรุณาจึงตรัสว่าปีติปราโมทชนะนังได้แก่อันทำปีติและปราโมทอธิบายว่าคมภีพุทธวงศ์เนี่ยสามารถสร้างปีติปราโมทให้เกิดขึ้นในส่วนเบื้องต้นอธิบายว่าสามารถยังปีติทั้งห้าให้เกิดได้แล้วก็คัมภี์พุทธวงศ์นั้นโสกสั ล, ลวิโนถนังบรรเทากําจัดลูกศรคือความโศกได้ ผู้ใดที่ตกอยู่ในความเศร้าโศกอ่านพุทธวงฟังพุทธวงตรึกพุทธวงเป็นต้นก็สา ม, มารถที่จะกำจัดความเศร้าโศกออกไปได้นนะก็ลองดูนะ่นลองเสียใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็มาอ่านพุทธวงดูน่าจะดับอะไรนะเลิกเรียกว่าเลิกเศร้าเลยมันกันเอเลิกโศกเลยดอกโศกก็จะเหี่ยวเฉาตายเนี่ยนะแล้วดอกโศกมันแบ่งบานเมื่อไรคนข้างๆก็โศกตามไปด้วยนั่นแหละ บทว่าสัพพะสัมปติปฏิลาพังความว่าชนทั้งหลายย่อมได้สมบัติแม้ทุกอย่างสมบัติทุกอย่างมีอะไรบ้างเช่นมนุษย์สมบัติเทวะสมบัติและนิพพานสมบัติสมบัติเหล่านี้เนี่ยนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ด้วยอาศัยพุทธวงศพุทธวงศนี่เป็นตัวที่สร้างให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นพุทธวงศนั้นชื่อว่าเป็นเหตุให้ได้สมบัติทุกอย่าง อธิบายว่าพุทธวังสะเทศนาเป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเหล่านั้นทุกอย่างบทว่าจิตตีกัตวาคณะพุทธวงนี้เอาตั้งเอาไว้ในจิตให้ดีเป็นอะไรเป็นพุทธานุสติไว้เป็นเบื้องหน้าฟังเพื่ อ, อนฟังพุทธวงเพื่อประกอบในการเจริญพุทธานุสติในส่วนของพระปุกพระจริยาคุณเป็นต้นว่าพระองค์นี้สร้างบา ร, รมีอย่างไรพบพระพุทธเจ้าเหล่านั้นอย่างไรเนี่ยนะ เอาไว้เป็นข้อมูลประดับในการเจริญพุทธานุสตินั่นเองเมจริงๆเนี่ยคือของพระพุทธเจ้านีท่านจงตั้งใจฟังเมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพุทธวงศ์นั้นมะทะนิมมตนังได้แก่บรรเทาความเมาทุกอย่างเนี่ยนะคนที่ฟังพุทธวงศ์จะเลิกมัวเมาในชาติในตระกูลในวัยในความไม่มีโรคเลิกเมาในชีวิตเมาในความเป็นหัวหน้าเจ้าหมู่เจ้าคณะออกไปได้พอฟังพุทธวงศ์ก็หายเมา ว, วัางืนั้นเด้อ สางเลยนะแต่ถ้าคนเมาสุราแล้วก็ไม่ฟังอยู่แล้วนะก็เลยไม่ได้อดไม่เมาใช่ไหนะมหมายความว่ากําจัดความเมาไม่ได้เพราะไม่ฟังบทว่าโศกานุทางความว่าความเร่าร้อนแห่งจิตของผู้ถูกความพินาศแห่งญาติกระทบแล้วเรียกว่าความโศกความโศกก็คือเสียใจนั่นแหละเช่นโศกเพราะอะไรโศกเพราะญาติตายบ้างเพราะทรัพย์สินเสียหายบ้างโศกเพราะพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักบ้าง โศกเพราะลาบเพระยศเพราะสรรเสริญน่ะ น, นะคือถูกด่าถูกอะไรเป็นต้นเนี่ยนะฮะไม่เสียหายถูกความเสียหายจากญาติจากทราบจากโภคะถูกโรคภยัยไข้เจ็บเบื้อต้นเบียดเบียนก็มีความเสียอกเสียใจความโศกเหล่านั้นนั้นทำให้จิตใจเร่าเริงความโศกนั้นมีการเผาภายในเป็นลักษณะเขาเรียกว่าไฟเผาซวงน่ะนะเผาใจเลยร้อนรุ่มกุ้นร้อนรุ่มเขเรียกว่าไฟมันร้อนมากจนน้าตาไหลเลยแหละ มีความแห้งผากในใจเป็นรสกิจของเขาคือทาให้มันแห้งใจเลยนะอ่อนเพลียและเหียใจใช้ยาลมไม่ได้หรือเพราะว่าคนที่ถูกความโศกไม่รู้จะใช้ยาอะไรมาแก้บําบัดออกไปได้อ่ามีความเศร้าส้อยเป็นเครื่องปรากฏเนี่ยเงาเลยนะงอยเลยพุทธวงศ์นี้สามารถกําจัดความโศกเหล่านี้ได้นะเพราะฉะนั้นพุทธวงศ์นั้นจึงชื่อว่าบรรเทาความโศกซึ่งพุทธวงศ์อันบรรเทาความโศกสังสาระปริโมชนัง ผู้ที่ฟังพุทธวง์สามารถที่จะทําการปลดเปลื้องจากเครื่องผูกมัดในสังสารวัตเนี่ยนะเพราะว่าพุทธวง์นั้นสามารถที่จะช่วยให้ก้าวล่วงวัฏตตสงสารออกไปได้คำว่าเปลื้องโอฆสงสารเนี่ยนะเปลื้องสังสารวัตออกไปได้เปลื้องจากขันเปลื้องจากท่าจากอายตนะเป็นต้นนั่นเองทุกขสับเนี่ยนะที่บอกว่าพุทธวงนั้น เป็นธรรมะเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงหรือพุทธวงศ์นั้นอ่ะเป็นคมภีที่ทําให้สิ้นจากสัพพัทุก์ทั้งปวงเนี่ยตรงนี้คําว่าทุกข์ทั้งหลายทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะทุกข์นั้นอ่ะคืออะไรทุกขัพท์ในพระไตรปิฎกหมายถึงทุกขเวทนาก็มีหมายถึงทุกขวัตุก็มีหมายถึงทุกขารมณ์ก็มีหมายถึงทุกขปัจจัยก็มีทุกขสถานะเป็นต้นก็มีอันนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยคาว่าทุกข์มีหลายความหมายนะเช่นทุกขเวทนาเนี่ยนะก็คือ ทุกเวทนาก็ทุกความเจ็บปวดทุกกายนะทุกขวัตถุวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งทุกเช่นชาติพิทุกขาชราพิทุกขามรณะพิทุกขังความเกิดนี่ชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งความทุกความแก่ก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกทุกขะตัวนั้นแปลว่าทุกขวัตถุแปลว่าที่ตั้งแห่งทุกบางทีนี้ก็แปลว่าทุกขารมณ์เช่นดูก่อนมหาลีเพราะเหตุที่รูปตกไปตามทุกก้าวลงสู่ทุกเพราะว่ารูปนี้ถือว่าเป็นอารมณ์แห่งความทุกข บางทีรูปรูปเนี่ยอขออภัยทุกเนี่ยหมายถึงทุกขปัจจัยก็มีเช่นทุกโขหปาปัสสะอุจโยการสงสั่งสมบาปนํามาซึ่งความทุกขมันการทําบาปนี้ชื่อว่าเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์หรือเป็นทุกขฐานเช่นเช่นคําว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายเรากล่าวเรื่องนรกแม้โดยอเนกปริยายเพียงเท่านี้จะกล่าวให้กระทั่งนรกเป็นทุกข์ไม่ใช่ทําได้โดยง่ายเรีวาทุกขสถานะเพราะอะไรเพราะนารกเป็น ฐานะที่ตั้งแห่งสารพัดทุกข์วหมงอนั้นแต่ในที่นี้พุทธวงศ์ที่บอกว่าสับพระทุกข ะ, ะสับพระทุกขะขยังขยับแปลว่าสิ้นใช่ไหมพุทธวงศ์เนี่ยผู้ที่ฟังศึกษาปฏิบัติตามสามารถทําให้สิ้นทุกข์ออกไปได้หมายถึงสิน้นสิ้นทุกไหนทุกขวัตถุ ก, ก็ได้สิ้นทุกขปัจจัยก็ได้เพราะว่าถ้าผู้ที่ฟังพุทธวงศ์ก็แปลว่า ฟังแล้วประพฤติปฏิบัติตามทำให้พ้นชาติทุทกชราทุกพยาที่มรณะโสกะปริเทวะทุกขโทโมนัตและอุปาญาททุกทำให้พ้นจากทุกขวัตุในที่หนึ่งอย่างที่สองขณะที่ฟังพุทธวงศศึกษาเรียนรู้พุทธวงศด้วยจิตชนิดใดกุศลจิตกุศลจิตสุขโขปุญญาสุจโยการสั่งสมบุญก็นำมาซึ่งความสุขมันกุศลจิตที่เกิดขึ้นยามที่ฟังรมก็เป็นปัจจัยแห่ง ความสุขเพราะฉะนั้นก็พ้นจากทุกขปัจจัยคือบาปบาปนี้ชื่อว่าเป็นปัจจัยแห่งความทุกขพุทธวงเทศนานั้นเรียกว่ามักเพราะผู้ต้องการกุศลสแสวงหากันนะถ้าใครต้องการกุศลก็ศึกษาพุทธวงเนี่ยนะเพราะศึกษาพุทธวงเป็นเหตุให้เจริญกุศลโดยประการต่างๆหรือพุทธวงนี้เป็นเหตุฆ่าความเศร้าหมองทั้งหลายออกไปได้ซึ่งพุทธวงเทศนาอันเป็นทางแห่งพระนิพพานว่า พระผูะ้พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาพระนิพพานทั้งหลายพระองค์ปฏิบัติกันเช่นใดเพราะฉะนั้นขอขออะไรสักกะจังจงฟังโดยเคารพทำความยเกรงอธิบายว่าพึงเป็นผู้ตั้งใจฟังพุทธวงศเทสนานั้นปฏิปัติชะทะบอกว่าตั้งใจอย่างยิ่งซึ่งพุทธวงศ คำว่าเทระตัวนั้นไม่ใช่นะพระพุทธเจ้ายังความอุตสาหะตั้งความปรารถนาะความเป็นพระพุทธเจ้าให้เกิดแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งปวงว่าท่านทั้งหลายจงฟังพุทธวงศเทศนานี้ที่ให้เกิดปีติและปราโมทบรรเทาความโศกสา ร, ร, รอันเป็นเหตุให้ได้สมบัติทุกอย่างแล้วบัดนี้จงปฏิบัติทางแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าเช่นพุทธสาวกพุทธะเนี่ยโดยสัมกว้างใช่ไหม พุทธานั้นแปลว่าพุทธสาวกเป็นต้นก็ได้ฟันก็จงปฏิบัติในทางเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้แทงตลอดอริยสัจอันเป็นที่สิ้นทุกขทั้งปวงฟันทาผู้ที่สิ้นทุกข์ก็นำมาซึ่งคุ ณ, ณวิเศษมีการย่ำยีความเมาเป็นต้นอันนี้เพิ่งผ่านไปหนึ่งการแรกนะจบไปหนึ่งการว่าพระองค์เชิญชวนให้ฟังพุทธวงศ์เลยแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ลงเรื่องราวในพุทธวงศ์แต่อย่างใด แต่ว่าอารัมพบทเนี่ยนะว่าแปลภาษาไทยบอกจบอารัมพบท